กูมาระปัญหาหรือสามเณรปัญหาในขุททะปาถักอะไรเอ่ยชื่อว่าหนึ่งสัตว์ทั้งปวงตั้งอยู่ได้ด้วยอาหารอะไรเอ่ยชื่อว่าสองนามและรูปอะไรเอ่ยชื่อว่าสามเวทนาสามอะไรเอ่ยชื่อว่าสี่อริยรสัตสี อะไรเอ่ยชื่อว่าห้าอุปาทานขันห้าอะไรเอ่ยชื่อว่าหกอายตนะภายในหกอะไรเอ่ยชื่อว่าเจ็ดโพชงเจ็ดอะไรเอ่ยชื่อว่าแปดอริยมรรคมีองค์แปดอะไรเอ่ยชื่อว่าเก้าสัตตาวาสเก้า อะไรเอ่ยชื่อว่าสิบท่านผู้ประกอบด้วยองค์สิบเรียกว่าพระอระหันตถาพันนากุมารปัญหาอตถุ ป, ปฏิเหตุเกิดเรื่องบร น, นี้ถึงลำดับพันนาความของกุมารปัญหาเป็นต้นอย่างนี้ว่าอะไรเอ่ยชื่อว่าหนึ่ง ข้าพเจ้าจะกล่าวเหตุเกิดเรื่องของกุมารปัญหาเหล่านั้นและประโยชน์แห่งการวางบทตั้งในที่นี้แล้วจึงจักทําการพันานาความจะกล่าวเหตุเกิดเรื่องของกุมารปัญหาเหล่านั้นก่อนชื่อว่าโสปากะเป็นพระมหาสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านโสปากะนั้นสําเด็จพระอรหันต์เมื่ออายุได้เจ็ดขวบโดยกําเนิด พระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธประสงค์จะทรงอนุญาตการอุปสมบทด้วยการพยากรแก่ท่านทรงเห็นว่าท่านเป็นผู้สามารถพยากรปัญหาทั้งหลายที่มีความอันพระองค์ทรงประสงค์แล้วจึงตรัสถามปัญหาโดยนัยะเป็นต้นอย่างนี้ว่าอะไรเอ่ยชื่อว่าหนึ่งท่านก็พยากรคือตอบและทําจิตของพระผู้มีพระภาคเจ้า ให้ทรงยินดีด้วยการพยากรณ์คือการตอบนั้นอันนั้นนั่นแหละได้เป็นอุปสมบทของท่านพระโสปากะนั้นนี่เป็นเหตุเกิดเรื่องของกุมารปัญหาเหล่านั้นประโยชน์ของการวางบทตั้งก็เพราะเหตุที่ประกาศจิตภาวนาโดยระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ ด้วยสาระคมประกาศศีลภาวนาด้วยสิกขาบทและประกาศกายภาวนาด้วยทวัติงสาการฉะนั้นบัดนี้จึงวางการพยากรปัญหาเหล่านี้เป็นบทตั้งในที่นี้เพื่อแสดงมุก ค, คือปัญญาภาวนาโดยประการต่างๆหรือเพราะเหตุที่สมาธิมีศีลเป็นประทัดฐาน และปัญญามีสมาธิเป็นประทัดฐานเหมือนอย่างที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าสีเลปฏิดทายะนโรสปัญโยจิตตังปัญญัจะภาวะยังนรชนผู้มีปัญญาตั้งอยู่ในศีลเจริญจิตและปัญญาดังนี้ฉะนั้นจึงควรทราบแม้ว่าข้าพเจ้าครั้นแสดงศีลด้วยสิกขาบททั้งหลาย และสมาธิที่มีศสียงนั้นเป็นโคจรด้วยทวติงสาการแล้วจึงวางปัญหาพยากรณ์เป็นบทตั้งไว้ในที่นี้เพื่อแสดงประเภทแห่งปัญญาอันเป็นเครื่องตรวจตราธรรมะต่างๆสำหรับผู้มีจิตตั้งมั่นแล้วนี้เป็นประโยชน์ของการวางปัญหาเหล่านั้นเป็นบทตั้งในที่นี้พันานาปัญหาว่า อะไรเอ่ยชื่อว่าหนึ่งบัดนี้จะพนานาความของปัญหาเหล่านั้นภิกษุเมื่อไหนโดยชอบในธรรมะอย่างหนึ่งอันใดย่อมทำที่สุดทุกได้โดยลำดับอันหนึง่งท่านพระโซปากานี้เมื่อหนในธรรมะอย่างหนึ่งอันใดได้ทำที่สุดทุกแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงหมายถึงธรรมะนั้น จึงตรัสถามปัญหาว่าอะไรเอ่ยชื่อว่าหนึ่งพระเทระทูลตอบด้วยเทศนาเป็นบุคลาทิฏฐานว่าสัตว์ทั้งปวงตั้งอยู่ได้ด้วยอาหารในข้อนี้พระสูตรทั้งหลายเป็นต้นอย่างนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัมมาสติเป็นไฉนะภิกษุในธรรมวิเนนี้ พิจารณาเห็นกายในกายดังนี้เป็นเครื่องสาทกในความเกิดข้อยุติด้วยการตอบอย่างนี้ในข้อนี้สัตว์ทั้งปวงท่านกล่าวว่าตั้งอยู่ได้ด้วยอาหารโดยอาหารใดอาหารนั้นหรือความที่สัตว์เหล่านั้นตั้งอยู่ได้ด้วยอาหารพึงทราบว่าพระเทระผู้ถูกตรัสถามว่า อะไรเอ่ยชื่อว่าหนึ่งทูลชี้แจงแล้วจริงอยู่ข้อนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประสงค์ว่าชื่อว่าหนึ่งในที่นี้แต่ไม่ได้ตรัสเพื่อให้รู้ว่าชื่อว่าอย่างอื่นในพระศาสนาหรือในโลกไม่มีความจริงพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ในธรรมะอย่างหนึ่งภิกษุเมื่อหน่ายโดยชอบเมื่อคลายโดยชอบเมื่อหลุดพ้นโดยชอบเห็นที่สุดโดยชอบตรัสรู้ความเป็นธรรมโดยชอบย่อมเป็นผู้ทมที่สุดทุกได้ในทิฏฐธรรมคือปัจจุบันในธรรมะอย่างหนึ่งเป็นไนคือในธรรมะอย่างหนึ่งว่าสัตว์ทั้งปวงตั้งอยู่ได้ด้วยอาหารดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ในธรรมะอย่างหนึ่งนี้แลภพิกษุเมื่อไหนโดยชอบเมื่อคลายโดยชอบเมื่อหลุดพ้นโดยชอบเห็นที่สุดโดยชอบตรัสรู้ความเป็นธรรมโดยชอบย่อมเป็นผู้ทมที่สุดทุกได้ในทิฏฐธรรมคือปัจจุบันคำนั้นใดเรากล่าวว่าปัญหาหนึ่งอุเทศหนึ่งวายกรหนึ่งดังนี้คำนี้ เราอาศัยข้อนั้นกล่าวแล้วในคำว่าอาหารทิติกานี้พระเถระถือเอาปัจจัยด้วยอาหารสั์เรียกสัตว์ทั้งปวงที่ตั้งอยู่ได้ด้วยปัจจัยว่าตั้งอยู่ได้ด้วยอาหารเหมือนปัจจัยท่านเรียกว่าอาหารในพระบาลีเป็นต้นอย่างนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สุภาณิมิตมีอยู่การทำให้มากด้วยการมณสิกาโดยไม่แยกคายในสุภานิมิตนั้นนี้เป็นอาหารเพื่อความเกิดแห่งกามาชันทะที่ยังไม่เกิดฉะนั้นแต่เมื่อท่านหมายเอาอาหารสี่กล่าวว่าตั้งอยู่ได้ด้วยอาหารดังนี้คำว่าทั้งปวงก็น่าจะไม่ถูกต้องเพราะพระบาลีว่าเทพที่เป็นอสัญญีสัต ไม่มีเหตุไม่มีอาหารไม่มีผัสสะไม่มีเวทนาในข้อนั้นพึงมีคำชี้แจงดังนี้แม้เมื่อถูกกล่าวอย่างนี้ความที่สัตว์ทั้งหลายเท่านั้นตั้งอยู่ได้ด้วยปัจจัยก็ถูกแท้เพ ร, ราะพระบาลีว่าธรรมะเหล่าไหนมีปัจจัยปัญจขัน์คือรูปขันต์เป็นต้น แต่ความที่สัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ได้ด้วยปัจจัยคำนี้เห็นจะไม่ถูกแน่ทีเดียวข้อนี้ไม่เห็นควรอย่างนี้เพราะอะไรเพราะกล่าวรวมไว้เสร็จถึงขันในสัตว์ทั้งหลายจริงอยู่ท่านกล่าวรวมไว้เสร็จในสัตว์ทั้งหลายแล้วเพราะอะไรเพราะท่านอาศัยคันธบัญญัติอย่างไรเหมือนอุปจาระแหงบ้านในเรือนเหมือนอย่างว่า เมื่อเรือนหลังเดียวหรือสองหลังแม้สามหลังแห่งบ้านถูกไฟไหม้ก็กล่าวรวมความไว้เสร็จถึงบ้านในเรือนอย่างนี้ว่าบ้านถูกไฟไหม้เพราะอาศัยเรือนหลายหลังบัญญัติฉันใดก็พึงทราบว่ากล่าวรวมความไว้เสร็จถึงว่าสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ได้ด้วยอาหารในสัตว์ทั้งหลายที่ตั้งอยู่ได้ด้วยอาหารเพราะอัตถะ ว่าเป็นปัจจัยในขันทั้งหลายก็ฉันนั้นเหมือนกันแต่เมื่อว่าด้วยปรมัต a t ผึงทราบว่าเมื่อขันทั้งหลายเกิดแก่และตายอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อตรัสว่าดูก่อนภิกษุเธอเกิดแก่และตายอยู่ทุกขณะดังนี้เป็นอันทรงแสดงว่าตรัสรวมความไว้เสร็จถึงขันนิสัตเหล่านั้น เมื่อใดสัตว์ทั้งปวงตั้งอยู่ได้ด้วยอาหารที่เรียกว่าปัจจัยอันใดอาหารอันนั้นหรือความที่สัตว์ตั้งอยู่ได้ด้วยอาหารพึงทราบว่ามีหนึ่งเพราะว่าอาหารหรือความที่สัตว์ตั้งอยู่ได้ด้วยอาหารย่อมเป็นฐานที่ตั้งแห่งนิพพิทาความนายเพราะเป็นเหตุแห่งอนิจจาความเป็นของไม่เที่ยงเมื่อนั้นภิกษุเมื่อนาย เราเห็นอนิจจตาในสังขารทั้งหลายที่เข้าใจกันว่าสัตว์ทั้งปวงเหล่านั้นย่อมจะเป็นผู้ทาที่สุดทุกข์ได้โดยลำดับย่อมบรรลุ ป, ปร r มั a t t วิสุทธิความบริสุทธิ์ดยปร r มั a เหมือนอย่างที่ตรัสไว้ว่าสัพเพสังขาราอนิจจติยะธาปัญญายะปัสสติอัฏนิพพินทิทุกเขเเอสสะมัคโควิสุทธิยา เมื่อได้เห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเมื่อนั้นย่อมนายในทุกข์นั่นเป็นทางแห่งวิสุท ธ, ธิก็ในปัญหาข้อแรกนี้มีปาฏะาอยู่สองอย่างว่าเอกังนามะกิงและกิหะในปาฏะาทั้งสองนั้นปาฏิาชาวสิงห์นว่ากิหะด้วยว่าชาวสิงหลเหล่านั้น แทนที่จะกล่าวว่ากิงก็กล่าวเสีว่ากีหะอาจารย์ชาวสิงห์โหบางพวกกล่าวว่าคําว่าหะเป็นนิบาศปาฐ ะ, ะแม้ของพวกที่ถือลทัทธิฝ่ายเทราวาธก็อย่างนี้เหมือนกันแต่ทั้งสองปาฐ ะ, ะความก็อย่างเดียวกันชอบใจอย่างใดก็พึงสวดพึงกล่าวอย่างนั้นเหมือนอย่างว่าบางแห่งก็กล่าวว่าทุกขังและบางแห่งก็กล่าวว่า ทุกขังในบาลีทั้งหลายเป็นต้นอย่างนี้ว่าสุขเคณนะผุดโอธอัฐวาทุกเคณนะทุกขังโทมนัสสังปฏิสังเวเทติบางแห่งก็ว่าเอกังบางแห่งก็ว่าเอกังก็ฉันนั้นแต่ในที่นี้มีปาฐานี้อย่างเดียวว่าเอกังนามะ พันนาปัญหาว่าอะไรเอ่ยชื่อว่าสองพระศาสดาผู้มีจิตอันพระเทระทำให้ทรงยินดีด้วยการพยากรณ์นี้อย่างนี้แล้วจึงตรัสถามหายิ่งในรูปเหมือนในยะแรกว่าอะไรเอ่ยชื่อว่าสองพระเทระกล่าวซ้ำว่าเทวสองทูลตอบด้วยเทศนาเป็นบุคลาทิฐิฐานว่า คือ น, นามและรูปบรรดานามและรูปนั้นเรื่องที่มีใช่รูปทั้งหมดท่านเรียกว่านามเพราะน้อมมุ่งนาสู่อารมณ์อย่างหนึ่งเพราะเป็นเหตุน้อมจิตไปอย่างหนึ่งแต่ในที่นี้ท่านประสงค์เอาธรรมะที่มีอาสวะเท่านั้นเพราะเป็นเหตุแห่งนิพพิทาความนายส่วนมหาพูทธรูปสี่และรูปทั้งหมดที่อาศัยมหาพูธรูปนั้นเป็นไป ท่านเรียกว่ารูเพราะอัถัะว่าแตกสลายรูปนั้นในที่นี้ท่านประสงค์เอาทั้งหมดแต่พระเทระกล่าวในที่นี้ว่าชื่อว่าสองคือ น, นามและรูปก็ด้วยความประสงค์นี้แหละมิใช่กล่าวเพราะไม่มีธรรมะสองอย่างอื่นเหมือนอย่างที่ตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ในธรรมะสองอย่างภิกษุเมื่อไนโดยชอบย่อมเป็นผู้ทำที่สุดทุกข์ได้ในธรรมะสองอย่างคือนามและรูปดูก่อนภิกษุทั้งหลายในธรรมะสองอย่างนี้แหลภิกษุเมื่อไนโดยชอบย่อมเป็นผู้ทำที่สุดทุกข์ได้คำนั้นใดว่าปัญหาสองอุเทศสองไวยากรณ์สองดังนี้ คำนี้เราอาศัยอันนี้กล่าวแล้วก็ในปัญหาข้อนี้พึงทราบว่าภิกษุละอัตติธิความเห็นว่าเป็นตนได้ด้วยการเห็นเพียงนามรูปแล้วเมื่อนายโดยมุก ค, คือการพิจารณาเห็นอนัตตาย่อมจะเป็นผู้ทรรมที่สุดทุกขได้ย่อมบรรลุปรมั m a t t h a v i s ได้ เหมือนอย่างที่ตรัสไว้ว่าสัพเพธรรมาอนัตตาติยะธาปัญญายะปัสสติอัฏฐะนิพพิทติทุเขเเอสะมัคโควิสุทธิยาเมื่อใดเห็นด้วยปัญญาว่าธรรมะทั้งปวงเป็นอนัตตาเมื่อนั้นย่อมหน่ายในทุกข์นี้เป็นทางแห่งวิสุทธิดังนี้ พันนาปัญหาว่าอะไรเอ่ยชื่อว่าสามบัดนี้พระศาสดาผู้มีจิตอันพระเทระทําให้ทรงยินดีด้วยการพยากรปัญหาแม้นี้แล้วจึงตรัสถามปัญหายิ่งขึ้นไปเหมือนในย่นก่อนๆว่าอะไรเอ่ยชื่อว่าสามพระเทระกล่าวซ้ำว่าตีนี้สามเมื่อแสดงสังขยาจำนวนที่เหมาะแก่ลิงเพศสัพ แห่งความที่พึงพยากร อ, อีกจึงทูลตอบว่าติดโสเวทนาคือเวทนาสามอีกในยะหนึ่งพระเถระคิดว่าจำเราจะกลับคำว่าตีนี้ความของเวทนาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าติดโสเวทนาเมื่อแสดงจึงทูลตอบบัณฑิตพึงทราบความในข้อนี้ดังกล่าวมาชนิ้ ด้วยว่าเทศนาของเหล่าท่านผู้บรรลุเทศนาอันวิลาศและความแตกฉานแห่งปฏิสัมพิธามีกระทมุกเป็นอันมากแต่อาจารย์บางพวกกล่าวว่าบทว่าตีนี้นี้เป็นบทเกินแต่พระเถระกล่าวไว้ในที่นี้ว่าติดโสเวทนาคือเวทนาสามก็ตามในยักก่อนๆ น, นั่นแหละ ม่ใช่กล่าวเพราะไม่มีธรรมะสามอย่างอื่นเหมือนอย่างที่ตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายในธรรมะสามเหล่านี้ภิกษุเมื่อไหนโดยชอบยอมเป็นผู้ทำที่สุดทุกได้ในธรรมะสามคือเวทนาสามดูก่อนภิกษุทั้งหลายในธรรมะสามเหล่านี้ภิกษุเมื่อไหนโดยชอบยอมเป็นผู้ทำที่สุดทุกได้ คำนี้ใดว่าปัญหาสามอุเทศสามไวยากรณ์สามดังนี้คำนี้เราอาศัยข้อนั้นกล่าวแล้วดังนี้ในปัญหาข้อนี้พึงทราบว่าภิกษุละสุขสัญญาความสำคัญว่าสุขด้วยการเห็นเวทนาทั้งสามเป็นทุกข์แล้วนายโดยมุก ค, คือการพิจารณาเห็นทุกข ตามแนวพระสู่ที่ตรัสไว้ว่าเวทนาความสวยอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งทั้งหมดนั้นเรากล่าวว่าเป็นทุกข์หรือตามแนวความเป็นทุกข์เพราะทุกข์เป็นทุกข์เพราะปราปรวนและเป็นทุกข์เพราะปัจจัยปรุงแต่งอย่างนี้ว่าโยสุขขังทุกขโตอัฏฐ ะ, ะทุกขมัดทักขีสันละโตอทุกขมัสุขขังสันตัง ถ้าขี่ัางอนิจจโตผู้ใดเห็นสุขเป็นทุกข์เห็นทุกข์เป็นดังลูกสรเห็นอาทุกข์มสุขมีอยู่ผู้นั้นชื่อว่าเห็นเวทนานั้นเป็นของไม่เที่ยงดังนี้ย่อมจะเป็นผู้ทาที่สุดทุกข์ได้ย่อมบรรลุปรมามทวิสุทธิได้เหมือนอย่างที่ตรัสไว้ว่าเมื่อใดเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยง เมื่อนั้นย่อมนายในทุกข์นั่นเป็นทางแห่งวิสุทธิดังนี้สำหรับเวทนาสามได้แก่สุขเวทนาทุกขเวทนาและอาทุขมสุขเวทนาคือไม่สุขไม่ทุกนะครับพันนาปัญหาว่าอะไรเอ่ยชื่อว่าสี พระศาสดาผู้มีจิตอันพระเทราช ท, ทำให้ทรงยินดีด้วยการพยากรณ์ปัญหาแม้นี้อย่างนี้แล้วจึงตรัสถามปัญหายิ่งขึ้นไปเหมือนในยากรก่อนว่าอะไรเอ่ยชื่อว่าสีในปัญหาข้อนี้ในฝ่ายพยากรณ์ปัญหานี้บางแห่งท่านประสงค์เอาอาหารสีตามในยากรก่อ น, อนเหมือนอย่างตรัสไว้ว่าดูกรภิกษุทั้งหลาย ในธรรมะสี่ภิกสุเมื่อนายเป็นผู้ทมที่สุดทุกได้ในธรรมะสี่คืออาหารสี่ดูก่อนภิกสุทั้งหลายในธรรมะเท่านี้แลภิกสุเมื่อนายโดยชอบเป็นผู้ทมที่สุดทุกได้คำนั้นใดว่าปัญหาสี่อุทเทศสี่วยายกรสี่ดังนี้คำนี้เราอาศัยข้อนั้นกล่าวแล้วดังนี้ บางแห่งภิกษุผู้มีจิตอบรมดีแล้วในคุณธรรมเหล่าใดยอมเป็นผู้ทมที่สุดทุกได้โดยลำดับคุณธรรมเหล่านั้นก็คือสติปัฏฐานสี่เหมือนอย่างพระกัชชังคลาภิกษุณีกล่าวไว้ว่าผู้มีอายุในธรรมะสีภิกษุมีจิตอบรมแล้วโดยชอบเห็นที่สุดโดยชอบตรัสรู้ความเป็นธรรมโดยชอบ ยอมเป็นผู้ทำที่สุดทุกได้ในปัจจุบันในธรรมะสี่คือสติปัฏฐานสี่ผู้มีอายุในธรรมะสี่เหล่านี้แลภิกษุมีจิตอบรมดีแล้วโดยชอบยอมเป็นผู้ทำที่สุดทุกได้คำนั้นใดพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าปัญหาสี่อุเทศสีไวยากรสีคำนี้ ดิฉันอาศัยข้อนั้นกล่าวแล้วดังนี้แต่ในที่นี้การตัดภาวะตัณหามีได้เพราะตรัสรู้ตามและแทงตลอดอริยาาสัจสี่เหล่าใดเพราะเหตุที่อริยาาสัจสี่เหล่านั้นท่านประสงค์เอาแล้วหรือเพราะเหตุที่ปัญหากรรมที่ท่านพยากรณ์ด้วยปริยานี้เป็นอันพยากรดีแล้วทั้งนั้นฉะนั้น พระเถระกล่าวซ้ำว่าจัตตาริสีจึงทูลตอบว่าอริสัจจานิอริยาสัจ ท, ทั้งหลายในคำนั้นสับว่าจัตตาริสีเป็นการกำหนดด้วยจำนวนบทว่าอริยาสัจานิได้แก่สัจจะที่เป็นอริยะอธิบายว่าไม่ผิดไม่คลาดเคลื่อนเหมือนอย่างที่ตรัสไว้ว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสัจสี่เหล่านี้แลเป็นของแท้ไม่ผิดไม่แปรเป็นอื่นเพราะฉะนั้นท่านจึงเรียกว่าอริยสัจอีกอย่างหนึ่งเพราะเหตุใดท่านอธิบายไว้ว่าเพราะเป็นสัจจะอนโลกทั้งเทวโลกพึงดำเนินพึงบรรลุเพราะดำเนินไปในทางเจริญที่เข้าใจกันว่าฐานที่ควรพยายามบ้าง เพราะไม่ดำเนินไปในทางที่ไม่เจริญบ้างพระพุทธเจ้าพระปัจเจ ก, กพุทธเจ้าและพระพุทธสาวกทั้งหลายที่รับรู้กันว่าเป็นพระอริยะเพราะประกอบด้วยอริยธรรมคือโพธิปัขิยธรรม3าประการย่อมแทงตลอดอริยสัตว์เหล่านี้แม้เพราะเหตุนั้นท่านจึงเรียกว่าอาริยสัตว์เหมือนอย่างที่ตรัสไว้ว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสัจสี่เหล่านี้อริยสัจสี่เหล่านี้แหลพระอริยทั้งหลายย่อมแทงตลอดอริยสัจสี่เหล่านี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าอริยสั์อีกในยะหนึ่งชื่อว่าอริยสั์เพราะเป็นสัจจะของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นอริยเหมือนอย่างที่ตรัสไว้ว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตเป็นอริยะในโลกทั้งเทวโลกทั้งเทวดาและมนุษย์เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าอริยสัตว์อีกนัยยะหนึ่งชื่อว่าอริยสัตว์แม้เพราะทำให้สำเร็จความเป็นอริยะเพราะอริยสัตว์เหล่านั้นทรงรู้ยิ่งด้วยพระองค์เองแล้วเหมือนอย่างที่ตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เพราะอาริยสัจสี่เหล่านี้แหลตะตถาคตตรัสรู้ยิ่งเองตามเป็นจริงตถาคตจึงถูกเรียกว่าพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าความแห่งบทของอริยสัจเหล่านั้นมีดังนี้ความตัดขาดภวะตัณหาย่อมมีได้เพราะความตรัสรู้ตามและแทงตลอดอริยสัจเหล่านั้นเหมือนอย่างที่ตรัสไว้ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลายทุกขอริยสัตว์นี้นั้นอันเราตถาคตตรัสรู้แล้วแทงตลอดแล้วทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัตว์อันเราตถาคตตรัสรู้แล้วแทงตลอดแล้วเพราะว่าตัณหาเราตถาคตก็ถอนได้แล้วตัณหาที่นำไปในภพก็สิ้นแล้วบัดนี้การเกิดอีกไม่มีกันละ ดังนี้พันนาปัญหาว่าอะไรเอ่ยชื่อว่าห้าพระศาสดามีจิตอันพระเททําเมส่งยินดีด้วยการพยากรณ์ปัญหาแม้นี้แล้วจึงตรัสถามปัญหายิ่งขึ้นไปตามในยากก่อนๆว่าอะไรเอ่ยชื่อว่าห้า พระเถระกล่าวซ้ําว่าปัญจห้าจึงทูลตอบว่าอุปาทานขันได้คําเหล่านั้นคําว่าปัญจห้าเป็นการกําหนดจํานวนขันทั้งหลายที่ถูกอุปาทานให้เกิดมาหรือที่ทําอุปาทานให้เกิดชื่อว่าอุปาทานขันรูปเวทนาสัญญาสังขาร และวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งมีอาสวะอันบุคคลพึงยึดถือคำนี้เป็นชื่อของอุปาทานขันเหล่านั้นก็ในที่นี้พระเทระกล่าวว่าอุปาทานขันห้าตามในยักก่อนนั่นแหลมิใช่กล่าวว่าเพราะไม่มีธรรมะห้าอย่างอื่นเหมือนอย่างที่ตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ในธรรมะห้าพิกษุเมื่อไหนโดยชอบย่อมเป็นผู้ทมที่สุดทุกได้ในธรรมะห้าคืออุปาทานขันห้าดูก่อนภิกษุทั้งหลายในธรรมะห้าเหล่านี้แหลภิกษุเมื่อไหนโดยชอบย่อมเป็นผู้ทมที่สุดทุกได้คำนี้ใดว่าปัญหาห้าอุเทศห้าไวยากรณห้าคำนี้ เราอาศัยข้อนั้นกล่าวแล้วดังนี้ก็ในปัญหาข้อนี้ภิกษุเมื่อพิจารณาโดยความเกิดความดับเป็นอารมณ์ได้อมตะาโดยวิปัสสนาแล้วย่อมทำให้แจ้งอมตะาคือพระนิพพานโดยลาดับเหมือนอย่างที่ตรัสไว้ว่าพิจารณาความเกิดความดับแห่งคันทั้งหลายโดยประการใดๆปีติและปราโมท อันเป็นอมตะยอมได้แก่ท่านผู้เห็นความเกิดความดับนั้นโดยประการนั้นๆดังนี้พันนาปัญหาว่าอะไรเอ่ยชื่อว่าหกพระศัสดาผู้มีจิตอันพระเทระทำให้ทรงยินดีด้วยการพยากรณ์แม้นี้อย่างนี้แล้ว จึงตรัสถามปัญหายิ่งขึ้นไปตามในยะก่อนๆว่าอะไรเอ่ยชื่อว่าหกพระเทระกล่าวซ้ําว่าจะหกะจึงทูลตอบว่าอายตนะภายในในคําว่าจะหกะเป็นการกําหนดจํานวนอายตนะทั้งหลายที่ประกอบในภายในหรือกระทําตนให้เป็นที่อาศัยเป็นไปชื่อว่าอายตนะ เพราะต่อหรือเพราะก่อความเจริญหรือเพราะนำสังสารทุก์มายืดยาวคำนี้เป็นชื่อของจักษุคือตาโสตะคือหูขานะคือจมูกจิวหาคือลิ้นกายะคือกายมณะหรือมโนโคือใจก็ในที่นี้พระเถระกล่าวว่าอายตนะภายในหก ตามในยะก่อนมิใช่กล่าวเพราะไม่มีธรรมะหกอย่างอื่นเหมือนอย่างที่ตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายในธรรมะหกภิกษุเมื่อไนโดยชอบย่อมเป็นผู้ทำที่สุดทุกได้ในธรรมะหกคืออายตนะภายในหกดูก่อนภิกษุทั้งหลายในธรรมะหกเหล่านี้แลภิกษุเมื่อไนโดยชอบ ยอมเป็นผู้ทำที่สุดทุกได้คำนี้ใดว่าปัญหาหกอุทเทศหกไวยากรณ์หกคำนี้เราอาศัยข้อนั้นกล่าวแล้วก็ในปัญหาข้อนี้ภิกษุพิจารณาอายตนะภายในหกโดยความเป็นของว่างตามพระบาลีดูก่อนภิกษุทั้งหลายคำว่าสัญโยคาโม บ้านว่างนี้เป็นชื่อของอายตนะภายในหกดังนี้โดยความเป็นของเปล่าและโดยความเป็นของลวงเพราะตั้งอยู่ได้ไม่นานเหมือนฟองน้ำและพยับแดดฉะนั้นก็นายทมที่สุดทุกโดยลำดับยอมเข้าถึงที่ซึ่งมัจจุราชมองไม่เห็นเหมือนอย่างที่ตรัสไว้ว่า มัจจุราชย่อมมองไม่เห็นผู้ที่มองเห็นโลกเหมือนเห็นฟองน้ำเหมือนเห็นพยับแดดฉะนั้นพันานาปัญหาว่าอะไรเอ่ยชื่อว่าเจ็ดพระศาสดาผู้มีจิตอันพระเทระทำให้ทรงยินดีด้วยการพยากรปัญหานี้แล้วจึงตรัสถามปัญหายิ่งขึ้นไป ตามในยะากรก่อนว่าอะไรเอ่ยชื่อว่าเจ็ดวิญญาณทิติเจ็ดพระเทระกล่าวในการพยากรปัญหาใหญ่ก็จริงถึงอย่างนั้นภิกษุผู้มีจิตอบรมดีแล้วในธรรมะเหล่าใดย่อมเป็นผู้ทำที่สุดทุกได้พระเทระเมื่อแสดงธรรมเหล่านั้นจึงทูลตอบว่าโพชงเจ็ด อันหนึ่งเล่าความข้อนี้พระภูมิพระภาคเจ้าก็ทรงอนุมัติแล้วเหมือนอย่างที่ตรัสไว้ว่ า, วาดูก่อนเข้ารืหบดีทั้งหลายกะชังขลาภิกษุณีเป็นบัณฑิตดูก่อนเขเรืหาบดีทั้งหลายกะชังขลาภิกษุณีมีปัญญามากพวกท่านเข้าไปหาเข้ารืหบดีแม้ที่เตียงสอบถามข้อความนี้ แม้เราก็พึงพยากรความข้อนั้นเหมือนอย่างที่กัชชังคลาภิกษุณีพยากรฉะนั้นกัชชังคลาภิกษุณีนั้นพยากรไว้อย่างนี้ว่าผู้มีอายุในธรรมะเจ็ดภิกษุมีจิตอบรมดีแล้วโดยชอบย่อมเป็นผู้ทำที่สุดทุกได้ในธรรมะเจ็ดคือโพชฌงเจ็ดผู้มีอายุในธรรมะเจ็ดเหล่านี้แล ภิกษุผู้มีจิตอบรมดีแล้วโดยชอบย่อมเป็นผู้ทำที่สุดทุกได้คำนั้นใดว่าปัญหาเจ็ดอุเทศเจ็ดวยายการเจ็คำนี้เราอาศัยข้อนั้นกล่าวแล้วดังนี้ความข้อนี้พึงทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุมัติแล้วด้วยประการชนนี้ในคำเหล่านั้นคำว่าสัตตะเจ็ เป็นการกำหนดจำนวนเด็ดขาดไม่ขาดไม่เกินคำว่าโพชงนี้เป็นชื่อของธรรมะมีสติเป็นต้นความของบทในโพชงเจ็ดมีดังนี้ชื่อว่าโพธิเพราะวิเคราะห์ว่าพระอริยส า, าวกย่อมตรัสรู้ด้วยธรรมะสามขีกล่าวคือสติธรรมะวิจยะวิริยะปีติปัสสิ สมาธิและอุเบกขาอันเป็นปฏิปักษ์ต่ออุปัฐวะเป็นอันมากมีความหดหู่ความฟุ้งซ่านความหยุดเพียนความพยายามกามาสุขคาลิ ก, า, ก, ตตกล า, านุโยกอัตตกิลมาฐานุโยกและความยึดถือด้วยอุเชททติทิและสัสตตาติฐิเป็นต้นอันเกิดขึ้นในขณะแห่งมรคจิตส่วนโลกียะและโลกุตระนั้น ท่านอธิบายว่าลุกขึ้นจากความหลับคือสันดานที่มีกิเลสหรือแทงตลอดอริยสัจสี่หรือทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานนั่นแหลเหมือนอย่างที่ท่านกล่าวไว้ว่าทรงเจริญโพชฌงเจดตรัสรู้ยิ่งเองซึ่งพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณอีกอย่างหนึ่งแม้พระอริยส า, าวกชื่อว่าโพธิ เพราะวิเคราะห์ว่าตรัสรู้ด้วยธรรมสามัคคีนั้นมีประการตามที่กล่าวมาแล้วดังนั้นชื่อว่าโพชงเพราะเป็นองค์คือส่วนแห่งโพธิกล่าวคือธรรมสามัคคีนั้นเหมือนอย่างองค์แห่งฌานและองค์แห่งมรรคอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าโพชงแม้เพราะเป็นองค์ของพระอริยาสาวกที่ได้โวหารว่าโพธินั้น เหมือนอย่างองค์คือส่วนของกองทัพและองค์คือส่วนของรถเป็นต้นฉะนั้นอีกประการหนึ่งพึงทราบอัฏฐว่าโพชงแห่งโพชงทั้งหลายโดยวิธีที่ท่านกล่าวไว้ในคำภีปฏิสัมพิทาอย่างนี้ว่าในบทว่าโพชงชื่อว่าโพชงเพราะอัฏฐว่าอะไรชื่อว่าพโพชง เพราะเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ชื่อว่าโพชงเพราะตรัสรู้ชื่อว่าโพชงเพราะตรัสรู้ตามชื่อว่าโพชงเพราะแทงตลอดชื่อว่าโพชงเพราะตรัสรู้พร้อมพระโยคาวจรเมื่อเจริญทำให้มากซึ่งโพชงเจ็ดเหล่านี้อย่างนี้ไม่นานนักก็จะเป็นผู้ได้คุณ มีความนายโดยส่วนเดียวเป็นต้นด้วยเหตุนั้นจึงตรัสว่ายอมเป็นผู้ทำที่สุดทุกได้ในปัจจุบันสมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายโพชชงเจ็ดเหล่านี้อันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้วยอมเป็นไปเพื่อความนายโดยส่วนเดียวเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับเพื่อความระ ง, งับ เพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมเพื่อนิพพานดังนี้พันน า, นาปัญหาว่าอะไรเอ่ยชื่อว่าแปดพระศาสดาผู้มีจิตอันพระเทราธรรมะทรงยินดีด้วยการพยากรณ์ปัญหาแม้นี้อย่างนี้แล้วจึงตรัสถามปัญหายิ่งขึ้นไปว่า อะไรเอย่ยชื่อว่าแปดพระเทระกล่าวโลกธรรม8ปดไว้ในการพยากรณ์มากปัญหาถึงอย่างนั้นภิกษุผู้มีจิตอบรมดีแล้วในธรรมะเหล่าใดยอมเป็นผู้ทรรมที่สุดทุกได้พระเทระเมื่อแสดงธรรมเหล่านั้นไม่กล่าวว่าองค์อริยะแห่งมรรคเจ็ดเพราะเหตุที่ธรรมดามรรคอันพ้นจากองค์แปดหามีไม่ แต่ว่ามักมีเพียงองค์แดเท่านั้นฉะนั้นเมื่อจะให้สำเร็จความข้อนั้นจึงทูลตอบโดยวิลาชแห่งเทศนาว่าอริยมักมีองค์8ดความและเทศนาในย่าข้อนี้แม้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงอนุมัติแล้วทั้งนั้นเหมือนอย่างที่ตรัสไว้ว่าดูก่อนเข้ารหาพดีทั้งหลายกชังคลาภิกษุณีเป็นบัณฑิต แม้เราก็พึงพยากรเหมือนกัชชังคลาภิกษุณีพยากรนั่นแลก็พระกัชังคลาภิกษุณีนั้นพยากรไว้อย่างนี้ว่าผู้มีอายุในธรรมะแปดภิกษุผู้มีจิตอบรมดีแล้วโดยชอบย่อมเป็นผู้ทำที่สุดทุกได้คํานั้นใดพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าปัญหาแปดอุทเทศแปดวยากอนแปดคานี้ ที่ฉันอาศัยข้อนั้นกล่าวแล้วดังนี้ความและเทศนานั้นพึงทราบว่าพระภูมีพระภาคเจ้าทรงอนุมัติแล้วด้วยประการชนนี้บรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอาริโยแปล ว, ว่าอันผู้ต้องการพระนิพพานพึงบรรลุอนหนึ่งมักพึงทราบว่าอาริยะเพราะเป็นไปห่างไกลจากกิเลสทั้งหลาย เพราะกระทําให้เป็นพระอริยะและแม้เพราะได้อริยะผลองค์ของมักนั้นมีแปดเพราะเหตุนั้นมักนั้นจึงชื่อว่ามีองค์แปดมักนี้นั้นพึงทราบว่าเป็นเพียงองค์เท่านั้นเพราะมักมีสภาพที่บุคคลจะไม่พึงได้โดยแยกออกจากองค์เหมือนกองทัพมีองค์สี่และดนตรีมีองค์ห้า บุคคลย่อมค้นหาพระนิพพานด้วยทางนี้หรือสแสวงหาเองหรือฆ่ากิเลสไปเหตุนั้นทางนี้จึงชื่อว่ามักภิกษุเมื่อเจริญมักมีประเภทแปดและมีองค์แปดนี้อย่างนี้ย่อมทำลายอาวิชชาทำวิชาให้เกิดทำให้แจ้งพระนิพพานด้วยเหตุนั้นคำนี้จึงกล่าวว่าเป็นผู้ทำที่สุดทุกได้ในปัจจุบัน สมดังตรัสไว้อย่างนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายหางเมล็ดข้าวสาลีหรือหางเมล็ดข้าวเหนียวที่เขาตั้งไว้ชอบเอามือหรือเท้าเหยียบจะตำเอามือหรือเท้าได้หรือจกทำให้ห่อเลือดได้ข้อนี้เป็นไปได้เพราะอะไรเพราะหางเมล็ดเข้าตั้งไว้ชอบฉันใดดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นหนอก็ฉันนั้นเหมือนกันจะทำลายอาวิชชาทำวิชาให้เกิดจะทำให้แจ้งพระนิพพานได้ก็ด้วยทิฏฐิที่ตั้งไว้ชอบด้วยมักคะภาวนาที่ตั้งไว้ชอบข้อนี้เป็นไปได้ดังนี้พันนาปัญหาว่าอะไรเอ่ยชื่อว่าก้าว พระศาสดาผู้มีจิตอันพระเทระทำให้ทรงยินดีด้วยการพยากรณ์ปัญหานี้จึงต้นัดถามปัญหายิ่งขึ้นไปว่าอะไรเอ่ยชื่อว่าเก้าพระเทระกล่าวซ้ำว่านวะคือเก้าจึงทูลตอบว่าสัตตาวาตในคำนั้นคำว่านวะคือเก้าเป็นการกำหนดจำนวนคำว่าสัต ได้แก่สัตว์มีชีวิตที่ท่านบัญญัติที่อาศัยขันอันนับเนื่องในชีวิตตินสีคำว่าอาวาสได้แก่ชื่อว่าอาวาสเพราะเป็นที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยของสัตว์ทั้งหลายชื่อว่าสัตว์ตาวาสนับเป็นทางแห่งเทศนาแต่เมื่อว่าโดยอัตตาใจความคำนี้เป็นชื่อของสัตว์ก้าประเภทเหมือนอย่างที่ท่านกล่าวไว้ว่า ผู้มีอายุเหล่าสัตว์มีกายต่างกันมีสัญญาต่างกันมีอยู่เหมือนมนุษย์บางพวกเทพบางพวกและวินิพติกะบางพวกนี้เป็นสัตว์ตาว่าที่หนึ่งเหล่าสัตว์มีกายต่างกันมีสัญญาอย่างเดียวกันมีอยู่เหมือนถวยเทพที่อยู่ในหมู่พรมผู้เกิดเป็นพวกแรกนี้เป็นสัตว์ตาว่าที่สอง เหล่าสัตว um e ์ผู th exactly. um e ้มีกายอย่างเดียวกันมีสัญญาต่างกันมีอยู่เหมือนทวยเทพเหล่าอาพัสระนี้เป็นสัตว์ตาวาที่สามเหล่าสัตว์ผู้มีกายอย่างเดียวกันมีสัญญาอย่างเดียวกันมีอยู่เหมือนทวยเทพเหล่าสุภกินหะนี้เป็นสัตว์ตาวาที่สี่เหล่าสัตว์ที่ไม่มีสัญญาไม่สวยอารมณ์มีอยู่เหมือนทวยเทพเหล่าอสัญญาสัตว์นี้ เป็นสัตวตาว่าที่ห้าเหล่าสัตว์ที่เข้าถึงอากาสานัญจายตนะนี้เป็นสัตวตาว่าท pues ี่หกเหล่าสัตว์ที่เข้าถึงวิญญาณจัญญายตนะนี้เป็นสัตว์ตาว่าที่เจ็ดเหล่าสัตว์ที่เข้าถึงอากินจัญญายตนะนี้เป็นสัตว์ตาว่าที่แปดเหล่าสัตว์ที่เข้าถึงเนวสัญญาณสัญญายตนะนี้เป็นสัตวตาว่าที่เก้า ก็ในที่นี้พระเถระกล่าวว่าสัตววาสก้าก็ตามในยักก่อนๆ น, นั่นแหละม่ใช่กล่าวเพราะไม่มีธรรมะก้าวอย่างอื่นเหมือนอย่างที่ตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายในธรรมะก้าภิกษุเมื่อนายโดยชอบย่อมเป็นผู้ทำที่สุดทุกได้ในธรรมะก้าคือสัตววาสดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ในธรรมะเก้าเหล่านี้แหละิิษุเมื่อนายโดยชอบย่อมเป็นผู้ทำที่สุดทุกได้คำนั้นใดเรากล่าวว่าปัญหาเ ก, ก้าอุทเทเก้าวไวยากรณ์เก้าคำนี้เราอาศัยข้อนั้นกล่าวแล้วก็ในปัญหานี้ภิกษุละความเห็นว่ายั่งยืนงามความเป็นคนสุข เสียด้วยยาตาบริญญาในสัตตาวาดเพราะบาลีว่าธรรมะก้าวความกำหนดรู้คือสัตตาวาดก้าวนายด้วยการเห็นเป็นเพียงกองสังขารล้วนคลายกำนัดด้วยการเห็นอนิจจาลักษณะด้วยตีระนบริญญาหลุดพ้นด้วยการเห็นทุกขลักษณะเห็นที่สุดโดยชอบด้วยการเห็นอนัตตละักษณะ ตรัสรู้ความเป็นธรรมชอบด้วยปานาปริญญายอมเป็นผู้ธทรรมที่สุดทุกได้ด้วยเหตุนั้นพระภูมิพระภาคเจ้าจึงมีพุทธดำรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายในธรรมะเก้าภิกษุเมื่อไหนโดยชอบยอมเป็นผู้ธทรรมที่สุดทุกได้ในธรรมะเก้าคือสัตวาวาสเก้าดังนี้ พันนาปัญหาว่าอะไรเอ่ยชื่อว่าสิบพระศาสดาผู้มีจิตอันพระเทระทำให้ทรงยินดีด้วยการพยากรแม้นี้อย่างนี้จึงตรัสถามปัญหายิ่งขึ้นไปว่าอะไรเอ่ยชื่อว่าสิบในปัญหานั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอกุศ ล, ลกรรมบทสิบไวในการพยากรทั้งหลายนอกจากการพยากรปัญหานี้ เหมือนอย่างที่ตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายในธรร ม, มสิบภิกษุเมื่อนายโดยชอบย่อมเป็นผู้ทรรมที่สุดทุกได้ในธรร ม, มสิบคืออกุโซลกรมรมบทสิบดูก่อนภิกษุทั้งหลายในธรร ม, มสิบภิกษุเมื่อนายโดยชอบย่อมเป็นผู้ทรรมที่สุดทุกได้คำใดเรากล่าวว่าปัญหาสิบอุเทสิบ วยากรสิบคำนี้เราอาศัยข้อ น, นั้นกล่าวแล้วดังนี้ก็จริงอยู่ถึงอย่างนั้นในที่นี้เพราะเหตุที่พระเทระไม่นำตัวเองเข้าไปประสงค์แต่จะพยากรพระอระหรันตหรือเพราะเหตุที่ปัญหากรรมที่พระเทระพ ย, รพยากรหรือปริยายนี้เป็นอันพยากรดีแล้วฉะนั้นท่านที่ประกอบองค์สิบเหล่าใดท่านเรียกว่าพระอระหรันต พระเทระเมื่อแสดงการบรรลุองสิบเหล่านั้นจึงทูลตอบด้วยเทศนาเป็นบุคลาทิฏฐานว่าท่านผู้ประกอบพร้อมด้วยองสิบท่านเรียกว่าพระอรหันต์เพราะในข้อนี้ท่านผู้ประกอบพร้อมด้วยองสิบเหล่าใดท่านเรียกว่าพระอรหันต์พึงทราบว่าองสิบเหล่านั้นพระเทระถูกตรัสถามว่าอะไรเอ่ยชื่อว่าศิ จึงทูนชี้แจงก็องค์สิบเหล่านั้นพึงทราบโดยในยะที่ตรัสไว้ในพระสูตรทั้งหลายเป็นต้นอย่างนี้ว่าภิกษุทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเรียกกันว่าอาเสค่ะอาเสค่ะภิกษุเป็นอาเสค่ะด้วยเหตุเท่าไรพระเจ้าค่ะตรัสตอบว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ ประกอบด้วยสัมาธิฐิเป็นอเสคะสัมมาสังกัปปะเป็นอาเสคะสัมมาวาจาเป็นอาเสคะสัมมากรรมันตะเป็นอาเซคะสัมมาอาชีวะเป็นอาเสคะสัมมาวายามะเป็นอาเซคะสัมมาสติเป็นอาเสคะสัมมาสมาธิเป็นอาเสคะสัมมาญานเป็นอาเซคะและสัมมาวิมุตติเป็นอาเสคะ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แลภิกษุชื่อว่าเป็นอเสขะแลจบพันนากุมารปัญหาแห่งอัธกะถาคุตกะปาธะปารมัตถโชติกา